บุกทูยี่สิบห้ายี่สิบห้าในเมืองอีบินดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟยตดีฉันต้องการไปที่สนามบิน ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะว่าด o งเข้ามายังท่าอากาศยาดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะว่าดัมายั l ท่ ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะวิธีเดิางไปย่านใจกลางเองดิฉันต้องการแท็กซี่ฉัการรถท็กีดิฉันต้องการแผนที่เมืองันต้องการแนที่เดิฉันต้องการโรงแรมฉันต้ e r การโรงแรม ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์ยายเอ็นสกิร์ l e ไ e bil นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะ Här är k r e d i t ดิตคูร์ตม t นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ Här är f ร์ฟอร์เรอร์คู t ในเมืองมีอะไรให้ดูบา้างคะ่าะ คุณไปเมืองเก่าสิคะคุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ Dra คุณไปที่ท่าเรือสิคะไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะ Dra